น่าสนใจบ้างฮึฮึแค่นแหละนะเราจะดูไปจะเหตนไปจิตมันคิดนึกปรุงแต่งมันหน้าที่ของเ้าไม่ใช่ไปฝึกไม่ให้คิดนึกปรุงแต่งนะแต่ว่าคิดนึกปรุงแต่งแล้วอยไปหลงยินดียินร้ายกับมันถ้ารู้ทันแล้วก็ไม่เป็นไร มันไม่เพียงแต่คิดแล้วจูงแต่งหรอมันบีบเค้นตัวเองเรื่อยเป็นเกณฑ์ม่ใจเราเหมันมันถูกบีบไปเรื่อยมันบีบตัวเองมีความอยากขึ้นมามีความยึดขึ้นมาก็เค้นดิ่นนี่ครับไปฝึกไปวันหนงใจมันค้นกันใจมันจะไม่ถูกบีบเค้นอีกคือเราแต่งเราจะถูกบีบอันตลอดนะบูกเค้นถูกพันมันคิดขึ้นมาแล้วก็ปลุงขึ้นมาแล้วก็อยากขึ้นมามันทำเพราะมันเองหมดเลย แล้วก็บีบพันตัวเองหาควา ม, มาาทุกข์มาใส่ตัวเองเรื่อยๆเราฝึกส่มากเข้ามากเข้าอันใจนมันพ้นนมันคิดนะไม่ใช่ไม่คิด <c ười> มันคิดแต่ว่ามันไม่เกิดแรงกดดันที่ในจิตในใจใจมันกว้างๆสามันงมอะไรใจ่มัใจไม่ตั้งมั่นเยนะใจกระจายด้แต่คุต้านด้วยนะ มีหลายแบบซ้อนๆกันถึงแม้ไม่ถึงฐานแต่ตั้งเข้ามาไม่ถึงฐานเวลาที่เราปฏิบัติเนะพวกเราหลายคนทิ้งสมถะพยายามจะทําสติในชีวิตประจําวันไปนรูปเดียวเลยทิ้งรูปแบบทิ้งสมถะใจไม่เคยรวมเข้ามาใจไม่ตั้งมั่นเใจจะไปอยู่นอกฐานยังกระจายอยู่ที่นอกเหมือนมีรู้นะ แต่รู้นี่ไม่มีคุณภาพไม่มีกํำลังใช้สรรพาก็าเป็นของที่จริงไม่ได้ถ้าทําเป็นก็ต้องทาถ้าทําไม่เป็นก็ต้องรับว่าไปอีกอย่างหาทางอย่างอื่นทำอะไรไม่ได้ก็พุโทโธไว้พุโทโธสีสีสีสีไว้นะใจมันเยอะเขเข้ามาตั้งมั่งพุโทโธนี่ดีนะดีกว่าหายใจหายใจเราวมักจะไปอัดมันพุโทโธมันอัดไม่ได้มันแค่ความคิด ไปคิดถี่ถี่ถีเข้ามานะใไมไ่ตั้งรู้ไมใจไม่ตั้งมั่นเหมือนกันเลหนไหมใจไม่ตั้งมั่นทําได้หลายแบบมปนหนึงทําสมถะให้ใจ ต, ตั้งมั่นสมถะต้องถูกต้องนะถ้ามีฉาสมาธิก็ไม่ตั้งอี๋ยวมันวิ่งเพ่งอะไรออกไปข้านอกเลยใจสงบแต่ไม่ไม่อยู่กับฐานไม่อยู่ที่ฐานของมัน อีกอย่างหนึ่งก็คือให้รู้ทันความไม่ตั้งมั่นถ้ารู้ทันแนละ้วก็ตั้งมั่นได้ทำได้หลายแบบนะเวลาที่จิตพูงต้านเะ่ถ้าจิตพู่งต้านรู้ว่าพูา่งต้านแล้วเป็นกลางกับมันนะแล้วจับได้ที่ความรู้สึกเป็นกลางนี้จะเข้าฐานนะดูเข้ามาเจอทั้งถึงตัวที่รู้ที่เป็นกลางไม่เข้าฐานได้มีการมึงทำสมถะ็นจิตมันรวมมึงก็เข้าที่ฐานได้มีหลายแบบ มาวัดหลายวันแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยาหลก่งใีเาดูกาวับแิก็เอย่นี้ลยมาวัดหลายวันแล้วก็เป็นอย่างนี้มวัหลนแกเนางนี้มาวัลยวก็เป็นอย่างเลมาวา้กเอย่งใีเมายแลก็น่งน้ลมาวัยนแ้เอยงนีเลมาวํหลายวันก่างเลยมาว้เป็นยงลยมาวัหลายวันกปนเลยมาัยวัวกเองลมัวกอนวลัแล้วเนอ เหมนเคยถูกงูกัดแล้วก ล, วลัวเชือกอะกลัวจะติดติดอย่างเ ก, าก่าหลวงพ่อถูกบอกให้ของเก่าไม่ใช่เสียหายอะไรหรอกแต่มันไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วนั่นเองการที่ทําให้ใจสงบตั้งมั่นก็ดีแล้วล่ะพแใจสงบตั้งมั่นแล้วตก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงอย่ให้เป็นสงบเฉยๆค้างคาอยู่กับความเฉย ได้ได้ก็ตริบตาเนี้ยท่านสอให้กับพริบเลยพ่อคำเกี่ยงลูกน้าแท้ๆนะพวกนี้หรอเปล่าชาบเชียงใหม่ที่ไปหาท่านหลวงพ่อํำเกียงต้านมาเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วท่านสอนอะไรบ้างหรือไปหาท่านสี่้ยมเท่านที่เยี่ยมท่านนะท่านเป็นมะเร็งมาให้คีโมอยู่ลงัาจุรา ท่าก็เล่าให้ฟังว่า ต, ตอนนี้ท่านไม่ไหวแล้วหมดสภาพแล้วท่านจะอยู่กับศีลอยู่กับธรรมเพื่้นนี้แหละอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรธรรมะเจ็บขาดอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรท่าก็เล่าว่าีา่มีโยมเชียงใหม่ไปหาท่านบกวามาเรียนกับหลวงพ่อพ <c oughs> อทีนี้เนักตุนบางอ่อนเป็นไง รู้สึกไม่จิตใจที่กระจายกระจายเริ่มมีแรงขึ้นแู้วมดีด้วยใจเป็นกลางนะเสร็จแล้วพอใจเราเป็นกลางลเรารู้ที่ใจที่เป็นกลางเีย่ยเข้าที่พอดีเลยอยันี้ใช้แทนเป็นวิธีใช้แทนทำสมถะได้หลวงปู่เทศสอนง่ายๆว่ายว้นหนึ่ให้กลั้นลมหายใจ พอกลันล้นก็จับไปที่ความรู้สึกนิ่งนิ่งอันนี้ก็เข้าที่ละเข้าฐานละมันต้องมีนิดหนึง่งมันเหมือนจงใจนิดนึ่งแต่ว่าไม่ได้จงใจไม่จงใจต้านลมหายใจแต่ว่าพอความรู้สึกนิ่งเกิดขึ้นให้เรารู้เฉยเฉยเฉยเข้าที่ของมันเองอันนี้ใช้แทนสมถะเป็นสมถะแบบรวบยอด <c oughs> เป็นใบเฉพาะหลวงท่าน <c oughs> คือต้องทำเดี๋ยวพอไม่ต้องนานหรอกแต่ว่าให้มันได้พักบ้างจิตใจถ้าเรามันไม่ให้มันพักเลยนะทำงานหนักไปไม่มีเร้มีอะไรจิตใจก็จะเริ่มแห้งแรงการปฏิบัติมันมีสองสายนะสายสดชื่นกับสายแห้งแรงพวกสุขวิปัสสกเข้าดูลูกเดี่ยวที่นี่จะแห้งแรง สาขวิปัสสกาเนี่ยที่เรียกว่าทุกข์าปฏิปทาปฏิบัติลําบากเพราะว่าแห้งไหงนี่พวกเราฝึกสมาธิมาจนชันนิชันนานเรให้ใจได้พักเป็นระยะระยะนัะแต่ไม่ให้ไปนอนให้มันยิบไป่ให้มันยิบได้แต่ไม่ให้ไปนอนแช่ให้นพามันเข้าไปพักนิดๆหน่อยๆถ่ า, ายออกมาที่จริงภาวนามาจนถึงขนาด น, นี้นะไม่ใช่เรื่องน่ากลวัวอะไรเพราะเรารู้ล้ว แต่ก่อนเราไม่รู้เราประกอบด้วยมิจฉาทิจิเราเห็นว่าการที่จิตของเราเข้าไปอยู่กับความว่างนี่เป็นผลทางปฏิบัติลืมไปว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญาตานุปั ส, สนาสติปัฏฐานไม่มีตอนให้ดูรูปดูนามแต่ขณะที่เราดูรูปดูนาม ใ, ใจของเราต้องตั้งมั่นต้องมีกำลังตัวนี้เองที่คนที่ฝึกสมถะที่ถูกต้องอนะนได้เปรียบ เขาเดินทางไกลถึงตกค่ำเขาก็มีที่หาบน้ำกินข้าวที่พักที่นอนสบายถ้าดูลูกเดียวไปเลยนะั้นก็เราคงกระหินเหนื่อยพวกเราทำสมถะเป็นเราก็ทำแต่ว่าไม่ใช่ทำด้วยความติดทำเพราะว่ามันจำเป็นือต้องทำเราเห็นเลยเจิตใจพอทิ้งสมถะไปแล้วจิตใจวุ่นวายจิตใจเหน็ดเหนื่อยจิตใจกระจาย เหมือนกับรู้นะแต่รู้แบบกระจัดกระจายมันเหนื่อยเอทไมคดอยเหน่รู้เหมือนรู้รู้กหื่อยอ่อนอย่างน้รู้ชื่อเบื อ, อม่เหมือนกันหนะ้ารู้แบบกระจายกระจายไปทุกอย่างมันรู้ออกนอกนอกมันเข้าไม่ถึงสามไอ้นี่เข้าไปนอนซื่อเบือเ่ออยู่ในระพ่อทาจิตให้ดูดูเอาเอางเนี่ยไม่มีคุณภาพดูออกไหม ผมว่าไม่ได้ทําหน้าอย่างนี้นะทำข้างในให้ดูด้วยเออดูได้บางคนดูได้แล้วเรียนเร็วอยู่แล้วเรียนเร็วไปเลยผมค่อยใช้วิธีนี้ไต่ที่โกไปตามสำนักต่างๆนะดูอาจารย์โน้นอาจารย์นี้สายโน้นสายนี้เที่ยวดูไปเรียกกล่อมเหยอาจารย์ช่วยทําให้ดูหน่อยปฏิบัติทํายังไงเข้าไปสายอาจารย์แนบพื่อหลายวัดนะหลายสำนัก ไหนอาจารย์ช่วยเดินจูงกลมให้ดูหน่อยสิอาจารย์ก็จะบรรยายผมไม่ใช่ครับเดินจริงๆเดินจริงๆอาจารย์ก็จะไม่ยอมเดินแล้วจะต้องบรรยายจะไาจะกล่อมให้แกเดินโชว์ได้นั่นตั้งนานเลให้เดินเหมือนที่เดินจริงๆอยากดูเดินจริงๆพอเราก็รู้แล้วว่าเดินยังไงเราจิตไปไว้ยังไงหนู mm hmm. ไปหาหลวงพ่อเทียนแล้ไม่ได้คุยกับท่านสักคำนะไปดูว่าท่านทํายังไง ท, ท่านเวลาท่านสอนเนี่ยท่านทำดีจริงแต่อ๋อท่านดํานนเนินจิตอย่างนี้เองิตขอท่านรู้ตื่นเบิกบานจิตโอท่านดีจิตขอท่านไม่เคยย่นเสื่อมไหวเลยโดยที่ไม่ได้ปรับอวามรักษาไม่ธรรมดานะแต่นักสาดีนะภาว น, นาเป็นแล้วีนี้คือมันถึงจะแน่จริงนะได้ทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติ จน่เป็นเพราะทำไมเราต้องเน้นเรื่องความมีศีลคือเราปฏิบัติแล้วเราจะไม่ใช้วิธีเก็บกดคนทั่วทั่วไปทํากรรมฐานแบบเก็บกดเั้นไม่ต้องถือศีลก็ได้เพื่เก็บกดกันเรียบร้อยแล้วไม่ทํากรรมชั่วอะไรออกมาข้างนอกหรอกทาแต่กรรมชั่วอยู่ข้างในมีทํามิจฉาทิฏฐิอย่ข้างในแล้วก็ลําบากอยู่คนเดียวแหละ แต่พอเราไม่เก็บกดเนี่เราปล่อยเดี๋ยวถ้าเราปล่อยใจให้ได้ทํางานนะมันปรุงอาภูตนขึ้นมาเยอะแยะถ้าไม่มีศีลแล้วมันล้นลงมาระบาดใส่คนอื่นก็แล้วศีลนี่จําเป็นเป็นพื้นฐานเลยริงไม่ได้ถ้าจิตใจมีศีลศีลมีสองงานนะศีลภายนอกศีลภายในเบื้องต้นจะมีศีลภายนอกเหมือนตั้งใจงดเว้นบาปอาภูตนห้าอย่างต่อไปเรามีสติจะเกิดศีลตัวจริง ที่มีสีภายในที่อินทรียสังวรสีเกิดขึ้นตามองเห็นรูปความยินดียินได้เกิดปั๊บสติเกิดเองส ต, ติเกิดเนี่ยอากุศลมันครอบงำจิตไม่ได้จิตเป็นปกติจิตเป็นปกติก็คือจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำแต่จิตใจมีปกติรู้เท่าทันกิเลสอยู่กิเลสเกิดขึ้นมานี่จิตใจมันมันละอายที่จะทำบาปกลัวผลของการกระทำบาป เกิดที่รีโอตับระขึ้นมามัลาอายที่จะทําบาปแล้วมันกลัวผลของการทําบาปกลัวบีบากไม่อดตับระพอมันเป็นอย่างนี้ใจมันจะตั้งมั่นนะใจมันจะมีสีมันจะเป็นสัตติสีไม่เกิดเองมีจิตใจที่มีสีจิตใจที่เป็นสัตติกิเลสหยาบหยาบไม่ครอบงํำเลยกิเลสละเอียดหรือพวกนิวรนนิวรนจะแทรกเข้ามาถ้าเรามีสติรู้ที่วรนอีกนะจิตใจจะตั้งมั่นตรงนี้ มีวิธีทำจิตให้เกิดสมาธิเลยทาได้สองแบบแบบหนึ่งมีสติรู้ทันนิวรณ์ซึ่งเป็นศัตรูของสมาธิ น, นิวรณ์ก็งำจิตไม่ได้นะสมาธิเกิดเองหนึ่งอีกแบบหนึ่งทําไปตามหลักสูตรคือห้ใจมันไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มันสบายแต่ต้าเป็นอารมณ์ฝ่ายุ่งส่วนด้วยความสุขมันจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิไม่ใช่สมาธิทําให้เกิดความสุขนะ ความเป็นจริงแล้วความสุขทำให้เกิดสมาธิพอสมาธิชั้นสูงนี่มันเลยความสุขกลไปเป็นเ็วิทเกาารคาใช่เมื่อ จ, จิตจะเป็นมหากรูสอจิตไหมเหมือนตำราเยีะเลยแต่ว่าเราเรียนแต่ปริยัตเื่องจะตีความสภาวะเพี้ยนๆไปจะไปบงังคับหมด ได้ไปทำอับหมดเลยนาอนท่านกนคนี่ที่ที่นมีีนาที่ดเรือที่เนงทาาืองีน้แ่เียวมาใมใช่ อย่าว่าแต่กิเลสเลยที่เราไม่ให้ค่านะสติเรายังไม่ให้ค่าเลยแต่ทำไมเราต้องมีสติคนในโลกนี้ไม่เคยมีสติเพราะ้นจิตจะเป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยนะถ้ามีกุศลก็กุศลเล็กน้อยกุศลแบบโลกียะอยากทำบุญใส่บาตรอะไแค่นั้นแนหะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือเผลอทั้งวันหลงทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตาย คนที่หลงตลอดเผลอตลอดเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเขาหลงเขาเผลอเขาจะรู้สึกว่าเขารู้สึกตัวอยู่แล้วดังั้นต้องฟังทำนะเริ่มเห็นสภาวะแล้วสติเกิดสติเกิดถึงจะรู้ว่าเราหลงมาทั้งชาติเลยทีนี้พอสติเกิดบ่อยไม่ใช่เกิดสภาวะเมื่อกี้เผลอไปตอนนี้รู้สึกเมื่อกีเก้เผลอไปตอนนี้รู้สึกจะสภาวะที่เป็นคู่ขึ้นมาเสร็จแล้วปัญญามันจะเกิด น, นะจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกสั่งไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ไม่ได้ ใชมทั้งกุศลคือตัวสติแตอากุศลเนี่ยมีฐานะที่เท่าเทียมกันแต่ต้องมีสอ ง, งนันก็จะมีความเป็นคู่ให้เห็นมันเกิดดับสลับกันไปใช้ที่อยู่นอนก็จะมเียอืดนคก่ก่ก่็จาอืดีรลดูยบ่อยๆจนจนรู้ทันจะรู้เลยใจไม่เป็นกลาง พอใจเป็นกลางอาจารย์นัสตารู้สึก ง, ง่ายมากเลยการปฏิบัติเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเดียวแต่จิตก็ทำของเขาเองสติเขา เ, เกิดเองนะเไม่ได้มีรสกา้ือสดทายเอนมมน้งะอนัขึ้นมพวกเราพลาดตรงที่ว่า เราเป็นชาวพุทธนะแต่เราไม่ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหน้าที่ของชาวพุทธคือหน้าที่ศึกษาไม่ใช่หน้าที่ทําบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนสอนะศีลสิกษาจิตศิกษาปัญญาศิกษาหน้าที่ของเราคือการเรียนแต่พอเรียนอย่างนี้นะก็ชอบเรียนเทียนอีกแล้วถาว่าท่านสอนเรื่องศีลสมาธิรรสส ita, ita, ปัญญาท่านสอนศีลศิกษาจิตศิกษาปัญญาศิกษานะไม่ใช่สอนเรื่อศีลสมาธิปัญญา สีนสมาธิปัญญามันเป็นตัวผู้สนในองค์มรรคแต่สิ่งที่พวกเราเรียนคือเรื่องสีนถ้ามีงไงจิตจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสหยาบหยาบครอบงําเราเรียนเรื่องจิตเพื่อแยกให้สภาวะให้ออกว่าจิตยังไงเป็นผู้สนผู้ศนจิตยังไงใช้ทําสมถะวิปัสสนาถ้าเรียนแบบามาพิธรรมนะจิตที่ใช้ทําสมถะกวิปัสสนาจะเป็นดวงเดียวกันเพราะว่ามันยังแยกไม่ละเอียดพอคือจะเป็นมหาผูศสและจิตญาณสัมปยุต กำหนดเไปแค่นี้แค่นี้ก็ใช้ทําสมถาวิปัสนาได้แต่ถ้าเราภาวนามาถึงจุดนี้การนักตายจะแยกได้อีกจิตที่มีกําลังกลา้าจริงๆจต้องเป็นอสังขาริตกังปัญญาหรือญาณสัมปยุทธของสมถะกวิปัสนาต้องกลั่งเกรงกันปัญญาของสมถะญาณสัมปยุทธของสมถะเหมันแค่ว่าฉลาดที่จะข่มนิวรณ์ได้ ส่วนปัญญายานสัมปยุตที่ใช้ทำนิพพานานี่คือปัญญาเห็นใจรักดังนั้นดีกรีไม่เหมือนกันสติของสมถะกับสติของนิพพานาก็ไม่เหมือนกันสติของสมถะเนี่ยโน้มให้เกิดนะเห็นอาสังขาริจังจงใจปฏิบัติจงใจไปรู้กายจงใจไปรู้ลมหายใจรู้ท้องรู้ท้ารู้มือรู้อิริยาบถจงใจส่วนสติที่เราใช้เดินนิพพานทีกิมเป็นอาสังขาริจัง เกิดเองนี่เราไม่เคยแยกสภาวะเรานีม้มันกำลังกุศลกล้านะอย่างกุศลที่เกิดในสอสังคาริกังกล้ากว่าสังคาริกังเยอะเลย<ม>อ่ามันคนละชัน้นกันเลยคนละเปลก กเลยเหลือจิตสองดวงที่ใช้ทำวิปัสสนานะคือโสมนัสกับอบิดขาญาณสัะยุทธ์อสังขาริกัดมีอยู่สองดวงเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงแยกออกนะว่าจิตดวงไหนใช้ทําสมถะดวงไหนวิปัสสนาสมาธิก็ไม่เหมือนกันสมาธิของสมถะเนี่ยจิตเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์สมาธิของวิปัสสนาจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่เหมือนกัน สมาทานี้จิตจะเข้าไปตั้งไว้ในตัวอารมณ์เข้าไปตั้งแช่จะเข้าไปแนบจิตจะเอาอารมณ์มาเหมือนคุกขังจิตนะั้นไม่ให้หนีไปที่น้อนอยู่อย่า ง, งเงี้ยจะเรียนท่านติดคุกอย่างสบายใจเลยรู้สึกแตกคุกไม่สําเร็จแล้วนอนมันอยู่ตรงนี้แลยแต่จิตที่เป็นสัมมาสมาธิที่ใช้เดินวิปัสสนานจิตตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอารมณ์มันอยู่ตาหักนะจิตกับอารมณ์แยกกันเลย อย่างเวลารู้กายเห็นกายส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูเช่นดีเป็นใช่ใจมันตั้งมั่นในการรู้กันได้ยินใจมันตั้งมัน่นกะใจเข้าไปตั้งแนบตั้งแช่ไม่เหมือนกันแน่น่าใจที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะตั้งเป็นหนึ่งอยู่ฉะนั้นตัว ส, สามาสวาธิเนี่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือเอโกทิภาวะ เอโกที่ภาวะที่จริงจะเกิดในฌานที่สองในพุติยะฌานเฉะั้นถ้าคนไหนเดินฌานมาได้นะั้นได้ถึงฌานที่สองจกนกระทั่งได้เอโกที่ภาวะคืจิตผู้รู้ตัวจริงจิตจะตั้งมั่นเมืเราถอยออกจากสมาธิแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นค้างอยู่นะมันจะเห็นเลยรูปนี้ไม่ใช่เราเห็นทันทีนะเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราสัญญาไม่ใช่ตัวเราสังขารไม่ใช่ตัวเราแล้วจะ เ, เป็นของนอกทัก้งหมดเลย แต่ตัวเนี้ยดูไปเรื่อยเห็นพวกนี้เกิดดับเกิดดับไปทั้งรูปทั้งกายสิกแต่ตัวจิตไม่ดูยากนิดหนึงพอตั้งตัวผู้รู้แล้วมันเหมือนไม่เกิดดับแต่แท้จริงแล้วถ้าสังเกตให้ดีตัวจิตเกิดดับแต่มีจิตที่เกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่ใจดับที่ใจแต่ตัวเอโกที่ภาวะก็เป็นคนดูอยู่อย่างนั้นแต่คนละดวนกันนะมันสลับ เปที่กาีนี่แรกแรีี น, น่อนนที่ยทนะีามน่เดินได้อคิด้สจตานี่อาจารย์สอนนะที่ทำนะวันนีอาจารย์มาเรียน ก, กับหลหลายท่านเหมกันมีบางวัดนะเลิกเลิกแนวเดิมเลยนะอันนั้นึกสติดูจิต น, นี่เลย แล้วพวกตำหนักที่บอกว่าทำวิปั ส, สนาวิปั ส, สนานะเอาจริงๆไม่ใช่วิปั ส, สนาหรอกกำหนดทั้งนั้นหลยการนัตตาจิตไม่ตั้งมั่นหลวกลไหมจิตจะจัด ก, กระจายถลวกลไหมตัวนี้แหละที่มันขาดกำลังของสมถะเนื้อหลังอะถ้าเราทำสมถะให้จิตจะตั้งเข้าถึงฐานมันจะมีกำลังแต่เระมัดระวังนะเรอสมถะแล้วก็เรียนเจรจาวิชาบ้างอาจารย์ชอบสอนสมถะ ใ, ใจวิชาจะตั้งแต่ตั้งแรงแตกเนี่ยมันสุดโต่ง้นคนละข้างนะอยู่คนละข้างครับผสมกันได้ปอดีๆนะจะเป็นสัสดส่วนที่สวยงามมากเลยในร้านในเรือนธรรมนี่สำนักเรือนธรรมมีสองค่ายนะค่ายสัมะค่ายวิปัสนาค่ายปริยัติกับค่ายปฏิบัติแท้จริงคำว่าปฏิบัตินะเหมือนผีที่หลอกรลอนเรา พอเราได้ยินคำว่าปฏิบัติเนี่ยในใจเรามันจะต้องวาดภาพว่าเราต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดาเพื่อให้ได้อะไรที่เหนือธรรมดาแต่ถ้าเราโยนคำว่าปฏิบัติทิ้งไปเราเป็นนักศึกษาเราจะรู้ใน ง, งานของเราคือเรียนขนดัดพระโสดาสกิทักคาพระอนาคายังเป็นนักเรียนเรื่อเสกบุพกฏดังงานของพวกเราชาวพุทธคืองานเรียนนะไม่ใช่งานปฏิบัติ ปฏิบัตินก็คิดว่าต้องทําอะไรที่เหนือธรรมดาเพื่อให้ได้สิ่งที่เหนือธรรมดาแต่ถ้าเป็นนักเรียนเราเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ความจริงสิ่งที่ได้มาคือรู้ความจริงถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจรู้ความจริงแก่มชัดว่ากายกับใจนี้เป็นก้อนทุกขล้วนๆ น, นี่เรียกว่ามีวิชาละรู้อริยสัจอริยสัจข้อแรกรู้ทุกรู้แล้วรู้ความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา ใจกระ floor, จเป็นตัวทุกข์ใจกระจเป็นสมบัติของ โ, องโลกทันทีที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยตัณหาจะถูกละอัตโนมัติจะไม่เกิด อ, อีกนะไม่ใช่มาเกิดเป็นเปาวๆลสู้เป็นเาวปล่าทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติเราก็มีกิเลสตัณหาเกิดเป็นเาวๆลเราก็ไปรู้ไปสู้เป็นเปล่าวปล่เอาตัวรอดเป็นครั้งเป็นเปล่แต่ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งลงไปเลนีายในี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนะสมบัติของโลกไม่ใช่สมบัติของเราเป็นกองทุกข์ล้วนๆ นี่เรีกว่ารู้ทุกข์คือมีวิชาแล้วปัญหาจะถูกล่าตอตโนมัติจะไม่เกิดอีกแล้วเพราะใจเพราะรู้แล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากที่จะให้กายให้ใจคนทุกข์ก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วนี่ปัญหามันดับสนิทตรงตรงนี้เองเพราะรู้แล้วไม่มีเราเมืความอยากที่จะให้เราเป็นสุขอยากให้เราคนทุกข์ก็จะดับไปโดยอัตโนมัติไม่เกิดอีก ทุกวันนี้ที่เกิดปัญหาได้เป็นครั้งเป็นคราวเพราะว่าเรายัางรู้สึ ก, กใจนี้ใจนี้คือตัวเราอยากให้มันสุขอยากให้มันดีอยากให้มันสงบความอยากมันถึงเกิดได้เพราะฉะนั้นท่านเรียยอริยสัจไว้สมบูรณ์สวยงามมากนะทราะเริ่มจากทุกถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งสมงไทยถุกละถ้าสมไทยถูกละนิโรธนิพพานปรากฏ ต, ต, ต่อหน้า ต, ต่อตาเลยใจเรานี่จะไม่ถูกบีบเคนอีกต่อไปนละ้ ใจ่าเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงเป็นอิสรภาพที่แท้จริงนะใจไม่ถูกอะไรมาบีบคั้นอีนะถามว่าอะไรอะไรที่บีบคัน้นปัญหาของเราเองนี่แหละบีบคั้นตัวเองมันเค้นตลอดเวลาในใจจันตารู้สึกไหมใจเราถูกเค้นอยู่ตลอดมีแรงเค้นตลอดใช่เพราะว่ามีอวิชชาเกิดตัญหามีตัญหามีความอยากก็เกิดการสร้างพบพบนันหความปรุงแต่ แค่เรียนนะเรียนจนกระทั่งรู้ทุกแจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งตันหาจะถูกกลา้าสนมารนิพพานจะปรากฏต่อหน้าต่อานิพพานไม่ได้อยู่ไกล น, นะนิพพานไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของเก่าอยู่ต่อหน้าต่ตานตาเองแต่เราไม่มีคุณภาพใจเราไม่มีคุณภาพที่จะเห็นเข้าใจเราหลงความปรุงแต่งถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งจงใจพ้นความปรุงแต่งใจฉลาดไหมอยู่ที่ความฉลาดนะอยู่ที่ปัญญาแนแหละ ฉะนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาให้เรียนไป น, นะให้เรียนพวกเราวันหนึ่งก็จะเข้าใจก็เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกในการปฏิบัติอย่างง่ายสุดๆเลยเพราะไม่ต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัติจริงๆนะวันก่อนการสุจิตบริหารมณเฑียรมาแปลคําว่าปฏิบัติ ป, ปฏิอแปลเฉพาะคําคว่าบัติเนี่ยมันจะคำว่าปฏิเป็นภาตเป็นคานเป็นภาต ปฏิบัตถึงแล้วปฏิบัติจริงๆแล้วถึงเฉพาะจึงรู้เฉพาะหน้าเท่านั้นไม่ใช่ให้ไปทําอะไรคนไทยไปยืมคำว่าปฏิบัติมาแปลว่าทำเราก็เลยเพียเพ้ยนๆไปใหญ่นะหรือเราแปรกําหนดหมันชอบเติมคําว่ากําหนดลงไปนะทุกขังอริยสัจจังปรินเยยยังทุกขังมันก็ไม่เห็นมีคําว่ากําหนดนะอริยสัจจังอริยสัจไม่มีคําว่ากําหนด ป, ร, นยยปรินเยยยังปาริแปลว่ารอบ เยี่ยยังแต่ว่าควรรู้มันจะคาว่ายาเนา่าแปลว่ารู้เหมือนยานแปลว่ายานะความอย่างรู้วิญญาณเครื่องอย่างรู้ทุก ข, ขังอริยสัจยังปริญเย่ยังแต่ว่าทุกทุกขตัดเป็นสิ่งที่ควรรู้รอบรู้รอบหมายถึงอะไรรู้รอบในกล่องทุกมีตัวรแรกเลยรู้รอบในขันห้านั่นเอง ถ้ารู้ขันเดียวยังไม่รู้รอบนะรู้บางส่วนรู้รอบก็คือรู้ในกล่องทุกขันห้าแล้วรู้จริงด้วยว่าขันห้าเป็นตัวไตรลักษณ์ลักษณะเป็นไตรลักษณ์นั้นพวกขังอริยสัจยังปริญญาอย่า ง, งก็คือการที่เราสามารถรู้ว่าขันห้าเป็นไตรลักษณ์นะั่นแหละให้ดูขันห้าลงเป็นไตรลักษณ์เนืองเนืองเราก็ชอบมาแปลว่าทุกให้กําหนดรู้แล้วตามใจชอบนะเลยกําหนดกันใหญ่ พอถึงสมุทัยก็จะกําหนดไล่แล้วมีโรยก็กําหนดให้แจ้งมา ก, ก็กําหนดก็ไว้กําหนดก็ไปกําหนดเข้าไ ป, เ, าไปเรียกว่ามากกาหนดบ่อยๆเรียกว่ามัดนะไฟกันใหญ่น ะ, ะแยกรากตัดดูไม่มีหรอกว่ากําหนด